ตอนสายของวันที่8ปดธันวาคม2516ท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์อุบาสิกาทองรินโดยมีนายสมชายนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆทุกครั้งที่มีการสนทนากับสตรีชนิดตัวต่อตั ว, ต ว, ตวท่านจะต้องให้มีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเสมอจึงเป็นที่รู้ดีในหมู่ผู้ใกล้ชิดว่าสมพารวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งวินัยนักโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงข้ามท่านจะระมัดระวังเป็นพิเศษ สงหลายรูปที่ตั้งใจมาบวชเพื่อหวังความหลุดพ้นแต่เพราะไม่สำรวมระวังในการปฏิบัติต่ออิสตรีจึงถูกศึกออกไปเป็นผู้กรองเรือนเสียมากต่อมากแม้ในสมัยพุทธกาลเรื่องเช่นนี้ก็เคยปรากฏดังกรณีของพระอนนทเทระซึ่งถูกนางภิกษุณีรูปหนึ่งวางแผน ล, ล่อลวงให้ศึกด้วยนางสนิทเสนหาหลงไหลในรูปโฉมของพระอนนท์ยิ่งนัก หากพราะมีการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าระวังใจมิให้แปรปรวนท่านพระ อ, อ น, นุนจึงรอดพ้นจากกลลวงของภิกษุณีรูปนั้นได้ทั้งยังเทศนาปโปรดนางให้สำนึกรู้ในผิดชอบชั่วดีอีกด้วยไงยโยมมีอาการอย่างไรบ้างพองยุบชัดเจนดีไหมท่านถามอุบาสิกาวัยยี่สิบเศษซึ่งอุตสาห์เดินทางมาจากกรุงเทพ มาเข้ากรรมฐานหล่อนตั้งใจจะมาอยู่วัดเจ็ดวันแต่ท่านให้อยู่สิบห้าวันเพราะเห็นหนอบอกว่าหล่อนกําลังมีเคราะห์เจ้ากรรมในเวรเข้าตามมาเอาชีวิตภายในสิบห้าวันหากหล่อนปฏิบัติกรรมฐานอยู่แต่ในวัดก็จะพ้นเคราะห์ออกไปนอกวัดเมื่อใดจะต้องถูกรถชนตายทันทีเพราะดวงของหล่อน จะต้องตายโดยอุบัติเหตุอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตายโหงท่านจึงกำชับนะักกำชับนาะไม่ให้หล่อนออกไปไหน ก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดค่ะนางทองรินตอบพระบัวเหียวจะมาให้ท่านสอบอารมณ์เช่นกันครั้นเห็นท่านกําลังมีแขกจึงหันหลังกลับแต่ท่านพระครูเรียกเอาไว้มีอะไรหรือบัวเหียวเข้ามาคุยกันก่อนสิพระหนุ่มจึงเดินเข้ามานั่งในที่อันสมควรแล้วจึงทําความเคารพพระอุปชานางทองรินทําความเคารพท่านด้วยการกราบสามครั้ง ฉันกําลังสอบอารมณ์ให้โยมเขาเธอฟังด้วยก็ได้ฝึกเอาไว้ในวันข้างหน้าเมื่อไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะได้สอบอารมณ์เป็นครับพระหนุ่มรับคําเห็นท่านพระครูได้เพื่อนแล้วในสมชายจึงลุกออกไปทําธุระของตนหลวงพ่อคะสองสามวันมา ด, ดิฉันปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเลยคะ่ะทำไมล่ะคิดถึงบ้านหรือไงไม่คิดถึงคะ่ะ แต่มันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงนั่งสงกน้ำลายไหล ย, ยืดเลยใช่ไหมท่านถามเพระาะทราบดีว่าอาการเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรค่ะแม้หลวงพ่อพูดราวกับเคยเห็นหล่อนพูดเขิ น, ขนทั้งเคยเห็นทั้งเคยเป็นโละโยมที่มีอาการอย่างนี้ เพราะถูกถีนนมิทานิวอนครอบงำโยมกำลังผชนมารเจ้ามารตัวนี้ชื่อถีนนมิทะเป็นนิวอนตัวที่ทำให้จิตหดหูเสื่องซึมเกียจคร้านม่วงเหงาหานอนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะกําจัดมันได้อย่างไรครับพระบุญเยวถามเพราะกําลังประสบปัญหาแบบเดียวกันวิธีกําจัดถีนมิทานิวอนทาได้โดยบริโภคอาหารให้น้อยลง พลัดเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆเช่นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสลับกันไปอีกวิธีหนึ่งก็คืออยู่ในที่โล่งแจ้งและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความเพียรตั้งจิตแน่วแน่ว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้การทำความดีนี่ยากจังเลยนะคะหลวงพ่อดิฉันชักท้อใจเสียแล้วสตรีวัยสี่สิบเศษเผยความรู้สึกท้อไม่ได้สิ โดยเฉพาะเวลานี้โยมกำลังมีเคราะห์ถ้าโยมท้อถอยต้องลำบากแน่อย่าลืมพุทธภาสิต ท, ที่ว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรโยมจำข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วก็เร่งปฏิบัติเข้าจะพ้นทุกข์ได้ท่านให้กำลังใจสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งครานก็ามากราบท่านพระครูแล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพี่จาฉันได้หรือเปล่า ใครจะจำแม่ครัวฝีมือเอกที่ชื่อบุญรับไม่ได้หายหน้าหายตาไปเลยนะวัดนี้เป็นยังไงถึงไม่อยากมาทําพระครูต่อว่าต่อขานนางบุญรับเคยมาช่วยทำกับข้าวอยู่โรงครัวหลายปีภายหลังได้โยกย้ายไปอยู่ที่พิจิตจึงหายหน้าหายตาไป ไม่เป็นยังไงหรอกจ้าฉันอยากจะมาทุกวันนั่นแหละแต่จนใจด้วยหวนทางมันไกลไปมาลำบากคิดถึงหลวงพี่ทุกเวลานาทีนางพูดพลางจำเลืองไปทางอุบาสิกาที่นุ่งหาวข่มขาวนั่งสงบสงเเหน่มอยู่ต่อหน้าท่านพระครูครั้นเห็นหน้าหล่อนชัดเจนนางบุญรับให้นึกเกลียดขึ้นมาทันทีก็หน้าหล่อนช่างเหมือนเมียมใหม่ของผัวเก่านา ง, งเนีกะไรนางบุญรับ เลิกกับผัวเก่าไปมีผัวใหม่ข้างผัวเก่าของนางก็มีเมียใหม่เช่นกันอันที่จริงต่างคนต่างมีใหม่ก็น่าจะหายกันนางไม่น่าจะมาเกลียดชังผู้หญิงคนนี้แต่ทำไมถึงต้องเกลียดเพียงเพราะไม่นีหน้าเหมือนนางนั่นหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้เลยนั่งค้อนขวับขวับโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทันรู้ตัวท่านพระครูนึกขำ สงสารอุบาสิกาก็สงสารที่หล่อนช่างมีเจ้ากรรนายเวนมากมายเสียจริงๆโยมมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิได้พรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่จะไปงานแต่งงานหลานที่โคกสำโรงโยมมีอะไรข้องใจก็เก็บเอาไว้ถามช่วงบ่ายก็แล้วกันอย่าลืมว่าห้ามออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาดเอาละไปได้แล้วนางทองริน กราบพิสุทั้งสองและก็ลุกออกมานางบุญรักมองตามพลางคว้างค้อนใส่หมันไส่นางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดไปหมันไส่เขาทำไมเล่าข้าไม่เห็นเขาไปทำอะไรให้แกสักหน่อยกับคนคุ้นเคยท่านจะใช้คำว่าข้าและแกก็ฉันเกลียดมันดูมันเดินเขานั่นตูดบิดไปบิดมาหน้าทุเรศ จ, จริงๆ นางบุญรับไม่ฟังเสียงอา้าวไหนแกลองลุกขึ้นเดินออกไปซิโน่นเดินไปทางโน้นท่านพักครูสั่งนางบุญรับทำตามเดินไปได้สักสีห้าเมตรท่านพักครูก็เรียกกลับมานั่งที่เดิมนี่แนะ่แม่บุญรับนับวิชารู้ตัวหรือเปล่าแกน่ะเดินตูดบิดหน้าเกลียดกว่าเข้าสิอีกแล้วยังจะมีหน้าไปว่าคนอื่นเขา ท่านตั requests, ้งใจสอนน่งบนรับทางอ้อมหากฝ่ายนั้นหารู้ตัวไม่ก็มันเกี่ยวอะไรกับลงพี่ล่ะฉันจะเดินยังไงก็เรื่องของฉัน อดีตแม่ครัวฝีมือเอกพูดเงอนๆนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละโยมคนนั้นเขาก็เดินยังไงก็เรื่องของเขาแล้วแกไปหมั่นไส้เขาทำไมล่ะก็ฉันเกลียดมันนางไม่กล้า บ, บอกว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนภรรยาใหม่ของสามีเก่าแต่ท่านพระครูก็รู้จึงพูดขึ้นว่าขารู้นะว่าแกเกลียดเขาทาไมเขาหน้าเหมือนเมียใหม่ของผัวเก่าแกใช่มล่ะ คราวนี้นางบุญรับรับเสียงอ่อยว่าถูกแล้วจ้ะแม่หลวงพี่เนี่ยแสนรู้จริงๆรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยพับผ่าสิโยมพูดกับพระกับเจ้าให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวจะบาปจะกรรมเปล่าๆพระโบเฮียวเตือนอย่างหวังดีนางบุญรับเลยพานเกลียดท่านไปอีกคนฉันไม่ถือสาหรอกโบเฮียวแม่คนนี้เขาทำกรรมมาอย่างนี้ วจีทุจริตท่านเน้นตรงวจีทุจริตแต่ผมว่าถ้าพอจะแก้ไขได้ก็ควรแก้ไขไม่ใช่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมลูกศิษย์ยืมคำพูดอาจารย์มากล่าวแล้วก็เลยกลายเป็นการสร้างศัตรูไปโดยไม่รู้ตัวนี่ไปยังไงมายังไงยังไม่ทันบอกกันเลยมาถึงก็แซกแซกว่าคนน้นเกลียดคนนี้นิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะ่เราอะ ท่านรครูว่าตรงๆแต่นางบุญรับไม่โกรดท่านจะดุดาว่าอย่างไรนางไม่เคยถือสาเหมือนกับท่านไม่ถือสานางสมัยที่มาช่วยทำครัวหล่อนเที่ยวทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ถือตัวว่าทำอาหารอร่อยก็เลยเที่ยวดูถูกฝีมือคนอื่นเข้าไปทั่วหลายคนจึงแอบนินทานางรับหลังว่าอุตส่าห์เข้าวัดแต่ไม่ยอม ละยอมวางสักอย่างเดียวฉันจะมาช่วยทำครัวสักเจ็ดแปดวันก็คิดถึงหลวงพี่หรอกนะถึงได้มาเนี่ยนางไม่วายหยอดยาหอมงั้นก็ดีแล้วจะได้ให้ไปอยู่กับโยมคนนั้นเผื่อจะหายเกลียดกันสมภารวัยห้าสิบแกล้งยั่วโอ้ยไม่เอารอกเรื่องอะไรจะให้ไปอยู่กับคนที่เกลียดนางปฏิเสธอ๋อ ต้องให้อยู่กับคนที่รักใช่ไหมนั้นก็มาอยู่ที่กุติข้าเสียเลยดีไหมละ่ะท่านประชดทําไมจะไม่รู้ว่าสมัยสาวสาวนางบนรับหลงรักท่านยังกับอะไรดีถึงขนาดหายใจเป็นหลวงพี่เจริญ น, นั่นเทียวแหมถ้าได้อย่างนั้นก็แจวสิแทนที่จะอายนางกลับว่าไปโน่นท่านเจ้าของกุติรู้สึกสังเวช ท, ที่ผู้หญิงอายุร่วมห้าสิบแล้ว แต่ยังไม่รู้จักปล่อยวางเออทำพูดดีไปเถอะนรกจะกินหัวแกโดยไม่รู้ตัวน้อยจะวอนเห้ขุขาเดือดร้อนแล้วไหมละ่ะแระเดี๋ยวผัวเก่าผัวใหม่แกก็ได้มาช่วยกันรุมฆ่าหรอกฟังนางบุญรับพูดจาโต้อตอบกับท่านพระครูแล้วพระบุยเฮียวรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เอามากๆท่านไม่รู้ตัวดอกว่ามาร ที่ท่านจะต้องผจนในอันดับต่อไปก็คือพยาบาทนิวรตกลงหลวงพี่จะให้ฉันพักที่ไหนละ่ะนางถามก็ไปเลือกดูเอาเองก็แล้วกันที่ไหนว่างก็พักได้หรือจะพักที่เมนนั่นก็ได้ตอนนี้ว่างอยู่ท่านพูดประชดแม่หลวงพี่แช่งอิบุญรับจะแล้วไมล่ล่ะฉันยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอก ต้องรอเผาคนที่ฉันเกลียดเสก่อนนางหมายถึงพระโบเฮียวและอุบาสิกาคนนั้นอ๋อนี่แกกำหนดวันตายได้งั้นสิ ถ้าเห็นมานักต่อนักแล้วบุญรับเอ่ยไอทิเทียวแฉ่งคนโน้นคนนี้ตัวเองตายก่อนเข้าทุกข์กลายแช่งอีกแล้วแม้คราวนี้สวยจังถูกลุงพี่แช่งอยู่เรื่อยนางบนกระปอดกระแปดชายอายุประมาณหกสิบรูปร่างอ้วนเตีย้ยศีสะล้านเดินเข้ามาในกุฏิพนมมือพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อ ผมมาขอยาแก้หืดหอบอีปุกลูกสาวผมหอบใหญ่แล้วในปวนซึ่งมีบ้านอยู่ติดวัดบอกท่านพระครูด้วยถ้าทางกังวลใครก็บอกให้มาเอาละ่ะท่านย้อนถามก็ไอป่องลูกชายผมมันบอกว่าเพื่อนมันเคยเป็นมาขอยาหลวงพ่อไปกินแล้วหายผมก็เลยมาขอมั่งในปวนชี้แจงพรางนั่งลง ข้าไม่มียูกมียาอะไรหรอกแต่ถ้าจะให้หายหอบหืดก็ไปเอาต้นตํยาแมวมาโขลกแล้วก็แช่กับน้ำเสาวข้าวให้มันกินเขาว่าชะงัดนักมีคนหายมาหลายคนแล้วรู้จักไม่ล่ะต้นตํยาแมวนะ่ะที่หลังวัดก็มีรู้จักครับดีแล้วถ้ามารู้จักก็เอาแมวไปด้วยตัวหนึง่งเอาไปทำไมครับ เอาไปพิสูจน์นะสิลองถอนสักต้นหนึ่งให้แมวมันกินถ้าไม่ใช่ตําแยแมวแมวจะไม่กินถ้ามันกินก็แปลว่าใช่ท่านอธิบายแล้วเอาส่วนไหนของมันมาโคลกแค่น้ําเสาวข้าวครับเอาทั้งต้นเลยรากด้วยก่อนโคลงก็ล้างให้สะอาดซสก่อนเอาให้คนไข้เดิมรับรองว่าหายแล้วไม่คันเหรอครับหลวงพ่อ พระโบเยวถามขึ้นชื่อว่าตำแยมันก็ต้องคันไม่คันตำแยถึงจะคันแต่ตำแยแมวไม่คันเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งท่านตอบฉันไปหาที่พักก่อนนะหลวงพี่นางบญรับกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปไม่วายพูดเสียสีในป่วนว่าแม่เจ้าเว้ยวันนี้มันวันอะไรวุย้ยถึงได้มาเจอพระอาทิตย์ขึ้น บนหายกระเทียมแกว่าใครในป่วนถามเสียงตะคอกนางบนรับไม่ตอบก้าวฉับๆออกจากกุฏิไปในป่วนจึงหันมาถามท่านพระครูว่าอินี่มันเป็นใครครับหลวงพ่อปากหมาๆอย่างเนี้ยประเดี๋ยวผมตบล้างน้ำใชเท่านั้นไม่รู้จักไอป่วนซะแล้วชายวัยหกสิบแสดงอาการโกรธเกลียวแม่บ้านจะอยู่ติดวัด แต่ในป่วนก็ไม่เคยเข้ากรรมฐานจึงไม่รู้จักนางบุญรักและกำหนดโกรธหนอไม่เป็นท่านพระครูว่าในป่วนนั้นใกล้เกลือกินด่างอย่าไปถือสาแกเลยตาป่วนไปเถอะกลับไปหาตำแยาแมวไปปรุงยาให้ลูกกินซะอย่าได้มีเรื่องมีราวกันในวัดเลยนึกว่าเห็นแก่ข้าเถอะในป่วนจึงกล่าบปลกปลกสามครั้งและลูกออกไป เดินหาต้นตำแยแมวทางหลังวัดคิดว่าถ้าเจอยายคนปากเสียก็จะด่าสักสองสามชุดโทษฐานที่มาวิจารณ์รูปโฉมโนมพันธ์ของแกเธอมีข้อสงสัยข้องใจอะไรจะถามหรือเปล่าท่านถามพระบวัวเหียวหลังจากที่คนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วก็มีเหมือนกันครับเรื่องถินมิตรนิวรผมเข้าใจแล้ว ตอนที่หลวงพ่ออธิบายให้โยมทองรินฟังแต่ที่นี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งที่จะเรียนถามหลวงพ่อคือหมูนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาฉันอาหารผมรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมดแม้แต่ดื่มน้ำลงไปก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นเป็นเพราะเธอติดในรสกามฉันทนิวร์กาลังครอบงาเธอเพราะรสจัดเป็นกามาคุณอย่างหนึ่งในห้าอย่าง แบบนี้ผิดไหมครับผิดสิถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดแต่เป็นนักปฏิบัติถือว่าผิดเพราะมัวแต่ปิดรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสการปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้านี่มันผิดในแง่นี้แล้วจะแก้ยังไงครับก็ตั้งสติพิจารณาสิก่อนจึงค่อยฉันพระพุทธองค์ตรัสสอนไว่ว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหาร อาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านถามเองตอบเองเสร็จภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทุกครั้งที่บริโภคอาหารต้องพิจารณาโดยท่องแท้เสียก่อนว่าจะไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประเทืองผิวไม่บริโภคเพื่อตกแต่งร่างกายให้งดงาม แต่บริโภคเพื่อทํารงไว้ซึ่งกายนี้พอให้อัตภาพนี้ดําเนินไปได้กับเพื่อระ ง, งับความหิวกระหายเพื่อประพฤติพรหมจรรย์โดยคิดว่าการบริโภคนี้จะเป็นเครื่องระ ง, งับเวทนาใหม่มิให้เกิดขึ้นจะได้ประพฤติทธรรมสืบไปได้ความสะดวกให้ความผาสุกพอสมควรเริ่มแต่ภิกษุนั้นอุปสมบทก็เริ่มละอาหาร ไม่บริโภคในเวลาเขาบริโภคกันวันละหนึ่งเวลาบ้างสองเวลาบ้างและอาหารที่พระวินัยห้ามบ้างบริโภคอาหารตามมีตามได้โดยบริโภคเพียงแต่ว่าเป็นธาตุเพื่อเป็นที่ทํารงอยู่ของธาตุให้กายนี้เป็นอยู่นี่เป็นภิกษุในพระธรรมวินยัยต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ไปติดในรสอาหาร กล่าวโดยสรุปก็คือต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้วโยนิโสมนสิการมีความสําคัญมากในการละนิวร์ทั้งห้าขาดโยนิโสมนสิการเสียแล้วก็ละไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการฉันทะพยาบา ท, ทินมิทะอุทธะจกักกุฏิ จ, จักหรือวิจิกิจจาความหมายว่านิวร์แต่ละอย่างและอย่างนั้นจะละไม่ได้เลย ถ้าไม่มีโยนิโสมานัสิการใช่หรือเปล่าครับถูกแล้วเอาเถอะเมื่อเธอปฏิบัติสูงขึ้นไปก็จะเข้าใจพระอุป a า h a แนะนําเนื่องจากมีประสบการณ์มา ก, ก่อนหลวงพ่อครับทําไมคนเข้าวัดถึงยังเอาดีไม่ได้ล่ะครับอย่างโยมบุญรับนั่นหลวงพ่อบอกเข้าวัดมาหลายปีผมก็เห็นแกยังละอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวรู้สึกแกเที่ยวขวางเข้าไปหมด คนเข้าวัดเข้าวาน่าจะเป็นคนดีพระหนุ่มตำหนิเกลรงใจพระอยู่ในวัดแท้ๆก็ยังเอาดีไม่ได้ก็ยังมีนี่นาบางคนบวชตั้งแต่เป็นเนนอายุพรรษาตั้งหกสิบเจ็ดเซยังไม่ได้เรื่องนับประสาอะไรกับคนอย่างยายบุญรับเล่าท่านออกเสียงเล่าเป็นเล่ามินทาอะไรชันเอกหลักลนางบุญรับ เข้ามาทันได้ยินชื่อตนเข้าพอดีเลยถามพันพา น, านมาก็ดีแล้วไงได้ที่พักเป็นที่พอพระาราชฤทัยหรือยังท่านพระครูถามประชดหากนางบุญรับก็ตอบว่าได้แล้วเพคะเสด็จพี่หม่อมฉั้นกําลังจะมากราบทูลให้ทรงทราบอยู่พอดีพอแล้วพอแล้วแม่บุญรับไม่ไหวท่านพระครูรีบโบกมือห้าม บนรับเฉยๆจ้ะแม่กำลังเล่นลิเกสนุกๆไม่น่ามาห้ามถึงจะเป็นลิเกหลงโรงก็เถอะฉันจะมาบอกหลวงพี่ว่าได้ที่พักตรงข้ามกุฏิแม่นั่นประเดี๋ยวเถอะแม่จะแกล้งให้เสด็จไปเลยนางพูดอย่างหมายมั่นขอทีขอทีแม่คุณแม่มหาจําเริญคนเขาจะมาสร้างบญสร้างกุศล อย่าไปเป็นมารขัดขวางเขาเลยนี่ฉันจะถือโอกาสเทศแกสักหน่อยแกน่ะมันแย่นาบุญรับนากรรมฐ า, านก็เคยเข้ามาแล้วไงถึงไม่ดีขึ้นเลยแย่อย่างไงละหลวงพี่ฉันอุตสาหหวังดีจะมาช่วยทำครัวหลวงพี่ยังมาว่าฉันอีกนางเถียงจอดจอดยังยังไม่รู้ตัวอีกเอาเถอะเอาเถอะนั่งลงซิงให้เรียบร้อย ยืนพูดกับพระมันไม่สวยยิงวัยเกือบห้าสิบจึงนั่งลงท่านพระครูพูดต่อไปว่าฟังให้ดีฉันจะสอนให้เอาบุญการที่แกตั้งใจมาช่วยทำครัวนานณะดีแล้วถือว่ามาสร้างกุศลก็นในเมื่อตั้งใจมาทำบุญแล้วจะมาทำบาปจะทำไมละ่ะฉันไปทำบาปอะไรที่ไหนนางบุญรับไม่วายเทียงทำไมจะไม่บาป ก็วัดจีทุเจริตนั่นยัางไงาทั้งพูดปดพูดสอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อครบเลยในตัวแกเซี้ยวแรงที่อุตส่าห์มาเข้าวัดสู้บางคนที่เขาอยู่บ้านก็ยังไม่ได้นางบุญรับรู้สึกรำคาญเนื่องจากไม่ชอบให้ใครมาติจึงแกล้งบ่นท่านว่าจ้าหลวงพี่ฉันก็จะพยายามแก้ไขให้เวลาฉันบ้างฉันขอตัวไปช่วยเขาทาครัวลวนะ กลาประลกปลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูสายหน้าอย่างระอาพูดกับพระโบยเฮียวว่าไม่ไหวไม่ซึมซับสิ่งดีๆเลยคนอย่างใหญ่บุญรับนับวันจะมีมากขึ้นประเภทเข้าวัดแลมานั่งนินทาคนโน้นคนนี้ที่เขาว่ามือถือศากปากถือศีลมันก็เป็นวิบากของเขาคนที่มาเข้ากรรมฐานาน่าจะเลิกกิเลสได้นะครับหลวงพ่อ มันก็ละได้แต่เป็นการละในชั่วคราวคือตอนเจริญกรรมฐานจิตเป็นสมาธิมันก็บริสุทธิ์ผองใสเพราะกิเลสมันถูกคมถูกกดเอาไว้แต่พอออกจากกรรมฐานกิเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเหมือนน้ำใสที่มีตะกอนนอนก้นเอามือไปกวนมันก็ขุนจะขจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ตปฏิบัตินั้นจะต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดจึงจะประสบความสําเร็จก็กิเลสตัณหามันอยู่กับเรามาตั้งนานหลายภพหลายชาติมีหรือที่มันจะยอมออกไปไง่ายๆทั้งต้องปฏิบัติกันข้ามภพข้ามชาติเลยใช่ไหมครับถูกแล้วแต่บางคนก็ท้อถอยใจไม่สู้ เลยไม่อาจจะตัดออกจากสังสารวัตรไปได้ความเพียรเนี่ยมันสำคัญนะบยเียวแล้วก็ต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าเป็นมิจฉาวายามะแทนที่จะทำให้หลุดพ้นกลับทำให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัตหนักเข้าไปอีกเรียกว่าการทำความเพียรก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้ว แม่รู้สึกว่าเธอนี่เก่งขึ้นมากเชียวนะสงสัยว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้เสียแล้วก่อนมัง้งพระอุปชาสัพยอกสาธุสมพรปากพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุถ้าอย่างนั้นก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้ออกพรุ่งนี้ออกตีสีครึ่งฉันเปลี่ยนเวลาแล้วเลื่อนออกไปอีกครึ่งชั่วโมงหรือจะให้สมชายไปบอกคนอื่น พระบุญเฮียวกราบเบญจางขปิดสามครั้งแล้วอุลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิแทนที่จะกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเช่นเคยก็เปลี่ยนมากำหนดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไปจนถึงที่พัก ก่อออกจากวัดท่านพระครูอุสาเดินไปหานางทองรินถึงกุฏิที่พักโดยมีพระโบเฮียวกับนายสมชายไปเป็นเพื่อนนางทองรินซึ่งตื่นตั้งแต่ตีสี่ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วและกําลังจะเดินจงกรมเมื่อได้ยินเสียงนายสมชายเรียกอยู่ข้างนอกจึงเปิดประตูออกมาออกตกใจที่พบท่านพระครูและพระโบเฮียวจึงรีบนิมนต์ท่านเข้ามาข้างใน ไม่เข้าหรอกโยมอาตมาจะรีบไปแวะมาบอกโยมเท่านั้นเองว่าอย่าได้ออกนอกบริเวณวัดอย่าลืมว่าโยมกำลังมีเคราะห์ถ้าโยมไม่เชื่อฟังอาตมาก็ช่วยอะไรโยมไม่ได้อาตมาไปละนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะดิฉันจะทำตามคำสั่งของหลวงพ่อทุกอย่างนางทองรินรับคำหนักแน่นพร้อมกับไหว้ภิกษุทั้งสอง ขณะเดินไปขึ้นรถท่านพระครูพูดกับพระบวยเฮียวว่าฉันช่วยเขาได้แค่นี้แหละบวยเฮียวเจ้ากรรมนายเวนเขาตามมาทวงชีวิตวันนี้ถ้าเขาออกนอกบริเวณวัดจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาเชื่อฉันก็จะไม่ตายพระบวยเฮียวไม่ออกความเห็นรู้สึกสังหอนใจพี่กนว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับหล่อน นายสมชายขับรถพาท่านพระครูและลูกวัดอีกแปดรูปมาถึงบ้านงานเมื่อเวลาหกโมงครึ่ง เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มพิธีเจ้าบ่าวซึ่งอยู่ในชุดกางเกงขายาวสีเทาฟ้าเสื้อเชิดแขนยาวสีชมพูออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเห็นในจ่อยท่าทางมีความสุขจิตของพระบัวเฮียวก็ถูกกามฉันทนิวรลุ่มรุมอีกจนเจ้าตัวต้องใช้โยนิสมนสิการเข้าปราบรามมันจึงสงบลงได้เจ้าสาวไปไหนเสละ ท่านถามถึงคนเป็นเจ้าสาวยังไม่กลับจากร้านเสริมสวยครับเจ้าบาวตอบแขกเหลือยังมากันไม่มากเจ้าบาวจึงมีเวลาพูดคุยกับพระสงฆ์ท่านพระครูถามหาบิดาของในจอยก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่สั่งเมาจึงไม่กล้าออกมาสู้หน้าพวกแม่ครัวกาลังสารวณอยู่กับการจัดอาหารเลี้ยงพระท่านพระครูนั่งหลับตากำหนดเห็นหนอ เพราะอยากรู้ว่าพวกแม่ครัวกําลังคุยกันเรื่องอะไรอา้าวแกชิมอยู่นั่นแหละระวังจะเกิดเป็นเปรตนะกินก่อนพระก่อนเจ้าแม่ครัวนางหนึ่งว่าเพื่อนก็มันอร่อยนี่ว่าคนชิมตอบเอออะไรอร่อยนี่แหละข้าเห็นเป็นเปรตมานักต่อนักแล้วละ่ะแกเห็นได้ยังไงคนชิมย้อน ก็ปู่ย่าตายายข้สอนไว้อย่างนี้ถึงข้าไม่เห็นแต่ข้าก็เชื่อนั่นมันสมัยปู่ย่าตายายแก้ว้อยสมัยนั้นน่ะพระท่า น, น่าเคารพนับถือกินก่อนท่านถึงได้บาปแต่สมัยนี้ใช่พระใชที่ไหนแค่พวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองไปไ ห, ไหนก็เที่ยวแต่จะกินของดีๆและยังเอาเงินอีก ที่เขาว่าข้าวก็ยัดอัดก็เอานั่นแหละแม่ครัวอีกคนเถียงแทนเพื่อนตายละนังแป้นเองนะเองนรกจะกินหัวกระบาลเข้าสักวันแม่ครัวคนแรกว่าท่านพระครูกำหนดลืมตาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอีกต่อไปนี่ขนาดคนชนบทยังดูถูกดูแกลนพระถึงปานนี้ มันเป็นความผิดของใครกันเล่านีิท่านรู้สึกรันทดใจนักเห็นนาจ่อยกำลังซุบซิบกับพระโบเฮียวอยู่ลายแถวท่านจึงกำหนดเห็นหนอไปที่บุคคลทั้งสองทำไมนิมนต์พระวัดป่ามาม่วงทั้งหมดละ่ะไม่กลัววัดเจ้าถิ่นเขาก็มหมนเอร่รึพระโบเฮียวถามเพราะตามธรรมเนียมหากจะนิมนต์พระต่างถิ่นมาก็ต้องให้มีพระในท้องถิ่นอยู่ด้วย การให้มนพระจากที่อื่นมาทั้งหมดถือว่าเป็นการกระทําที่ข้ามหน้าข้ามตาพระเจ้าถิน่นก็อย่างที่เคยเล่าให้หลวงพี่ฟังนั่นแหละผมไม่นับถือพระแถวนี้แต่พูดก็พูดเธอหลวงพี่กดแห่งกรรมมันทําหน้าที่ได้รวดเร็ว ด, ดีจริงๆสมภารตายแล้วในจอยจงใจใช้คำว่าตายแทนมรณภาพอา้าวเป็นอะไรตายละ่ะ ถูกจามได้ขวานหัวแบกเลยนอนตายอยู่ข้างระเบียงโบสถ์ป่านนี้คงทะเลาะกับโยมบาลอยู่ในนรกนั่นและหลวงตาทองขี้เมานั่นละ่ะแมมหลวงพี่จำแม่นจังแกศึกแล้วเห็นว่ากลัวตกนรกเพราะไม่อาจจะเลิกเหล้าได้เป็นพระกินเหล้ามันบาปมากแกเลยศึกออกมาเสี้ยหมดเรื่องหมดราวจะได้ตกนรกน้อยหน่อยแกว่าของแกอย่างนี้ ไม่ใช่ผมว่านาฟังแล้วท่านพระครูจึงสรุปในใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองในเรายายแม่ครัวถึงไม่ศรัทธาพระน้อยมาเรียกเราว่าพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองข่าวก็ยัดอัดก่อเอายายคนนี้สัมมากันถึงตอนนี้ท่านรู้สึกคำยายคนนั้นคำพูดของนางเท่ากับเป็นกระจกเงา ที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้ที่เรียกตัวเองว่านักบวชเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดใต้ถุนเรือนและนางสาวจุกก็เดินหน่วยนาดเข้ามากราบท่านพระครูและภิกษุอีกแปดรูปหลอนอยู่ในชุดไทยเรือนต้นสีชมพูอ่อนตัดเย็บด้วยผ้าไหมเนื้อดีผมกล้าวทรงลุกจันไว้กลางศีรษะใบหน้าถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม โดยฝีมือของช่างเสริมสวยประจำตำบลลงน้ามาถึงนานแล้วหรือจ๊ะหล่อนทักทายนานหรือไม่นานก็ถึงก่อนคนเป็นเจ้าสาวก็แล้วกันลงน้าพูดแย่แม้ลงน้าเนี่ยเจอหน้าก็ว่ากันเลยเจียวหล่อนเพอ้อขณะนั้นเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงพิธีจึงเริ่มด้วยการให้ทายกซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนำกล่าวคาบูชาพระรัตนตรยัย และอารัธนาศีลท่านพระครูให้ศีลเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์คู่บ่าวสาวนั่งพระเพียบประนมมือฟังพระสวดมีหมอนสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสำหรับวางแขนกันเมื่อยคนละใบเสร็จจากการเจริญพระพุทธมนต์ทายยกนำกราวทวายสังฆทานและจึงช่วยกันประเคนอาหารคาวหวาน พระสงฆ์ฉันพัฒหารเสร็จแล้วจะภาพถวายจะตุปปัจจยทยธรรมแล้วพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปกล่าวอนุโมทนาคถาคู่บ่าวสาวกรวดน้ำและรับพรตามลำดับพวกแม่ครัวก็พากันออกมารับพรจากพระด้วยท่านพระครูจำคนที่ว่าพระได้จึงพูดสัพยอกนางว่าพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองนี่ไม่ไหวเลยนะโยมนะ กินข้าวเขาแล้วยังเอาเงินอีกแม่ครัวหน้าหรือไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะรู้ในสิ่งที่พวกตนแอบนินทาแต่อย่างน้อยก็ยังดีใจที่ท่านไม่โกรธหลวงพ่อมาจากวัดไหนจ๊ะนางถามรู้สึกศรัทธาท่านขึ้นมานิดหนึ่งวัดป่ามะม่วงเคยได้ยินไหมละ่ะไม่เคยจัะอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าอยากจะไป ก็ให้เจ้าบ่าวเขาพาไปก็ได้เขามีสอนกรรมฐานด้วยนะอยากไปเรียนไหมล่ะก็อยากเหมือนกันว่าแต่ว่าหลวงพ่อไม่โกรธชั้นนานางยังกลัวความผิดโกรธเรื่องอะไรล่ะก็ที่ฉันว่าหลวงพ่ออาตมาจะไปโกรธทําไมก็อาตมาไม่ได้เป็นอย่างที่โยมว่าแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ควรที่จะโกรธ เราเท่ากับโยมพูดความจริงใช่ไหมละ่ะใช่จาะใช่แต่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงรู้ละ่ะว่าฉันพูดไม่ววยสงสัยเอาเถอะไว้ไปเข้ากรรมฐานแล้วจะบอกอย่าลืมไปก็แล้วกันจ้ะจ้ะฉันไปแน่รอให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนางรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อท่านพระครูไม่อยู่ที่วัดนางทองริน รู้สึกเร่าร้อนใจยิ่งนักเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่รู้ว่าท่านไม่อยู่โดยเฉพาะวันนี้รู้สึกว่ามันเร่าร้อนกว่าทุกวันแม้อากาศภายนอกจะหนาวเหน็บหากมันก็ไม่ช่วยให้ความเร่าร้อนในใจบรรเทาเบ า, บาบางลงได้ไม่ว่าหล่อนจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ไม่อาจจะทำให้จิตสงบได้เลยหล่อนเริ่มฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆงา น, นานา ป่านนี้ลูกเต้าจะกินอยู่กันอย่างไรสามีหล่อนเล่าจากกันมาตั้งเจ็ดแปดวันป่านนี้ไม่มีอะไรกับสาวใช้แล้วหรือเพราะเห็นแม่นั่นทำท่าระลิกกระริให้ท่าอยู่บ่อยๆข้างสามีหล่อนก็ใช่ย่อยยิ่งเมาแอะกลับบ้านทุกวันอย่างนั้นมีหรืที่จะพ้นเงื้อมือแม่สาววัยรุ่นจริงอยู่ แม่หล่อนจะไปขอร้องให้มารดามาช่วยดแูแลแต่แม่ของหล่อนก็ต้องมีวันเผลอยิ่งถ้าสองคนนั้นมีจิตกระสันต่อกันแม่หล่อนหรือไกลๆก็ห้ามความกระสันของคู่นั้นไม่ได้อยากกระนั้นเลยเราควรจะไปดูสักหน่อยเป็นไรนั่งรถไปสองชั่วโมงก็ถึงดูให้เห็นกับตาแล้วก็รีบกลับมาหลวงพ่อคงยังไม่กลับนี่ ก็เพิ่งจะหกโมงเช้าเท่านั้นเองแล้วหล่อนก็รีบจัดแจงแต่งกายออกจากที่พักเดินฝ่าความหนาวเหน็บตรงไปยังถนนสายเอเชียคอยดูหน้าตาแก่ถ้าจับได้คาหนังคาเขาแม่จะฆ่าทิ้งเสียหล่อนคิดเรื่อยเปื่อยไปตลอดทางสิ่งที่คิดล้วนแล้วแต่ไร้ายๆทั้งนั้นถึงถนนสายเอเชียหล่อนก็ต้องข้ามไปรอรถฝั่งโน้น มีรถประจำทางสายที่จะวิ่งมาจากทางเหนือเพื่อจะเข้ากรุงเทพหลอนมองซ้ายมองขวาเห็นไม่มีรถวิ่งมาสักคันจึงก้าวเท้าออกไปโดยเร็วแล้วก็ต้องจบชีวิตลงเพราะถูกรถบรรทุกชนกระเด็นไปตกอยู่ที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามรถบรรทุกคันนั้นวิ่งตะบึงแข่งกับลมหนาวมาตามถนนสายเอเชียเห็นคนเดินตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด จะเบรกก็ไม่ทันคนขับก็เลยไม่เบรกทั้งไม่สนใจจะหยุดรถดูให้เสียเวลาทำมาหากินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทางหลวงที่จะเรียกปอเต็กตึงมาเก็บศพ บรรดารถยนที่วิ่งผ่านไปมาไม่มีคันใดหยุดดูร่างบอ บ, บางที่นอนจมกองเลือดอยู่ริมถนนอย่างดีก็แค่ชะรอรถให้ช้าลงเพราะว่ามีตัวอย่างมานักแล้วที่คนชนหนีไปแล้วคนหยุดดูกลับกลายเป็นจำเลยแทนรถสายตรวจของตำรวจทางหลวงมาพบศพเมื่อเวลา8นาฬิกาจึงวิทยุไปเรียกปเต็กตึงชาวบ้านแถวนั้นเริ่มทยอยกันมาดูศพ เนื่องจากอากาศกลายความหนาวเย็นลงบ้างแล้วแม่ครัววัดป่ามะม่วงก็มาดูกับเขาด้วยเห็นหน้าผู้ตายขนัดนางบุญรับถึงกับขวัญเสียความเกลียดชังที่มีตลอนกับกลายเป็นความเวทนาสงสารนางยกมือท่วมหัวและพูดเบาๆว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะแม่คุณขออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแม่ครวัวที่มาด้วยอีกสองคนก็รู้สึกใจหาย เราะเห็นกันทุกวันเคยเอาเป็นโตไปส่งที่ห้องพักวันละสองเวลาเช้านี้ก็เอาไปส่งเห็นไม่อยู่ห้องก็นึกว่าไปทางไหนมาพบอีกทีก็กลายเป็นศพไปเสียแล้วช่าง น, น่าอนาจใจแท้ๆนายละอองขับรถมาจากกรุงเทพกับบุตรสาววัยรุ่นอีกสองคนเขาตั้งใจมาเยี่ยมภรรยาซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่ามะม่วง เคยขับรถมาส่งหล่อนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาหล่อนบอกว่าจะมาอยู่สักเจ็ดวันพ่อมาถึงท่านพระครูกลับบอกให้อยู่ตั้งสิบห้าวันด้วยเหตุผลว่าหล่อนกําลังมีเคราะห์ลูกสาวสองคนรบเร้าให้เขาพามาด้วยทนคิดถึงมารดาไม่ไหวเขาเองก็คิดถึงหล่อนเช่นกันรถวิ่งมาถึงทางเลี้ยวเข้าวัดเห็นคนมองดูอะไรกันอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม ชายวัยกลางคนไม่ได้สนใจจะหยุดดูด้วยใจจดจ่ออยู่ที่ภรรยาอยากเห็นหน้าหลอนเร็วๆครั้นถึงวัดเขาตรงไปยังกุฏิที่หลอนพักพร้อมลูกสาวทั้งสองเมื่อเดินไปถึงปรากฏว่าหลอนไม่ได้อยู่ที่นั่นที่ประตูมีกุญแจดอกเล็กๆคล้องไว้หน้าต่างทุกบานถูกปิดเขาจึงไปที่กุฏิท่านพระครูคิดว่าหลอนอาจจะอยู่ที่นั่นคนที่กุฏิท่านพระครูบอกว่า ท่านไม่อยู่และยังบอกเรื่องมีคนถูกรถชนตายเป็นคนที่มาเข้ากรรมฐานเขารู้สึกสังหรณ์ใจพิกลจึงขับรถออกไปดูแล้วก็ได้พบกับความจริงที่เศร้าสลดภาพของลูกสาวสองคนร่ำไห้กอดศพแม่ทำให้เขาสะเทือนใจยิ่งนักยังลูกชายคนเล็กที่อยู่กับแม่ยายที่บ้านอีกคนแกจะทำอย่างไร มืรู้ว่าผู้เป็นแม่ได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วมื่อรถของมูลนิธิปอเทคตึ้นมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงให้นําศพไปตั้งในวัดป่ามะม่วงตามคําขอร้องของสามีผู้ตายซึ่งต้องการจะรอถามท่านพระครูก่อนว่าจะให้นําศพไปเผาที่กรุงเทพหรือว่าเผาเที่วัดป่ามะม่วงแล้วเข้ากับลูกก็มานั่งรอท่านอยู่ที่กุฏิ ทันทีที่ท่านพระครูก้าวลงจากรถสามีนางทองรินททบจะโผเข้าหาเขาคุกเข่าลงกับพื้นกราบแทบเท้าของท่านร้องไห้สะอึกสะอื้นแข่งกับลูกสาวทั้งสองตอนเห็นศพภรรยาเขากลั้นความรู้สึกทั้งมวลเอาไว้แต่เมื่อมาพบผู้ที่เห็นอกเห็นใจที่เขายึดเป็นที่พึ่งได้ความรู้สึกที่อดกลั้นเอาไว้ก็กลั้นไม่ไหวอีกต่อไป ทำใจดีๆเอาไว้โยมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีใครหลีกพ้นโยมทองรินก็ไปสบายแล้วเขานั่งรออาตมาอยู่ตรงทางเลี้ยวเล่าให้ฟังหมดว่าเกิดอะไรขึ้นไปคุยกันที่กุฏิดีกว่าท่านเดินนำสามพ่อลูกไปยังกุฏิพิกษุอีกเจ็บรูปต่างก็แยกย้ายกันไปยังกุฏิของตนคงมีแต่พระบุญเยี่ยวที่เดินตามท่านพระครู มาเพราะอยากรู้เรื่องราวเ <'s> มื่อทุกคนมาถึงกุฏิและนั่งลงเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเล่าเรื่องที่วิญญาณมาบอกกล่าวเมื่อเช้าก่อนออกจากวัดอาตมาก็ไปกำชับเขาว่าไม่ให้ออกไปไหน เขาก็รับปากรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พออาตมาออกจากวัดไปเขารู้สึกร้อนอกร้อนใจจนไม่อาจจะปฏิบัติได้เกิดห่วงโยมห่วงลูกลูกท่านไม่ได้เล่าทั้งหมดที่วิญญาณบอกเพราะอย่างน้อยก็เห็นแก่คนที่ตายไปแล้วแต่คนฟังกลับเป็นคนเล่าซิเองว่าเขาคงเห็นผมดื่มเล่าทุกวันเลยกลัวว่าจะพลาดพลั้งไปมีอะไรกับคนใช้ ทั้งที่ผมไม่เคยคิดอกุศลเช่นนั้นตั้งแต่เขามาอยู่วัดผมก็ไม่เคยดื่มอีกเลยและก็ตั้งใจว่าจะไม่ดื่มไปจนตลอดชีวิตอาจจะเป็นเพราะเขาเผื่อแผ่บุญมาให้ผมจึงทำให้ผมกลับเนื้อกลับตัวได้ในละอองเล่าแม้จะหยุดร้องไห้แล้วแต่ก็ยังมีน้ําคลอยอยู่ที่หน่วยตาทั้งสองดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาด้วยโยมทองรินเขาคงดีใจ ส่วนเรื่องศพเขาบอกให้เผาที่นี่เขาอยากจะปฏิบัติกรรมฐานต่อแล้วจึงจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณปฏิบัติทำได้หรอครับหลวงพ่อพระโบเฮียวถามทำไมจะไม่ได้แล้วอย่างวิญญาณแม่กาหลงก็มาปฏิบัติที่วัดนี้ตั้งแต่ยังเป็นเ ป, นปรตจนเดี๋ยวนี้เป็นเทพธิดาไปแล้วรูปร่างสวยงามเชียวเคยมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อย เคยมาเดินจงกรมกับแม่ชีเขียวด้วยแม่ชีเขียวเป็นผู้อาวุโสที่สุดของสำนักชีเดี๋ยวนี้อายุแปดสิบไปไหนมาไหนไม่ค่อยไหวแต่ก็ ย, ยังปฏิบัติอยู่ที่สำนักและแม่ชีเขียวแกรู้ไหมครับว่าแม่กาหลงไม่ใช่มนุษย์รู้แต่แกเป็นคนไม่กลัวผีแกเดินจงกรมอยู่กับแม่กาหลงสองคนคนอื่นๆไม่มีใครกล้า นี่รู้เรื่องแมกกาหลงแล้วอย่าไปเล่าให้เศรษฐีเ จ, จริญชัยนั่นฟังนะเดี๋ยวก็จะพากันกลัวไม่ยอมมาวัดอีกท่านกำชับพระบุเหยียวซึ่งฝ่ายนั้นก็รับคำหนักแน่น แล้วภรรยาผลล่ะครับหลวงพ่อทําไมเขาต้องอายุสั้นนายละ อ, องถามตามหลักของกรรมคนที่อายุสั้นเพราะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโยมทองรินเคยไปฆ่าเขาไว้เจ้ากรรมนายเวรก็เลยตามมาทวงมีเขาเล่าให้อัตมาฟังนะถ้าเขาไม่ออกไปนอกวัดก็ไม่ต้องตายใช่ไหมครับถูกแล้วเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาดักรออยู่ตอนโยม เขาข้ามถนนก็บังเอาไว้ไม่ให้เห็นรถบรรทุกไม่น่าเชื่อเลยนะครับจิตวิญญาณจะมีอยู่จริงนี่ถ้าไมใ่ใช่หลวงพ่อเล่าผมคงไม่เชื่อถึงจะเป็นอาตมาโยมก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตนเองเสียก่อนพิสูจน์อย่างไรครับถามอย่างสนใจมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็ดวันพอมีเวลาไม่เล่าครับผมจะหาเวลามา รอให้ลูกๆปิดเทอมซะก่อนดีแล้วโยมทองรินจะได้ดีใจโยมจะได้คุยกับเขาโดยไม่ต้องผ่านทางอัตมาหนูจะมากับคุณพ่อได้ไหมคะหลวงตาหนูอยากคุยกับคุณแม่คะ่ะเด็กสาววัยสิบสี่ถามขึ้นได้จะ้ะถ้าหนูตั้งใจปฏิบัติก็จะสามารถคุยกับคุณแม่ได้และหนูจะมาไหมละจ้ะท่านถามคนน้องถ้าคุณพ่อกับพี่เขามาหนูก็มาคะ่ะ เด็กหญิงวัยสิบสองตอบหลวงพ่อครับศพของทองรินจะเผาเมื่อไไรครับนายละ อ, องถามขึ้นสวดพระพิธรรมสัก3ามคืนแล้วค่อยเผาเจ้าตัวเขาไม่สนใจหรอกร่างกายนั้นเมื่อวิ ญ, ญญาณทิ้งเสร็จแล้วก็ไม่ต่างจากท่อนไม้หรือว่าท่อนฟืนถ้าอย่างนั้นก็เผาสช่วันนี้เลยดีไหมครับพระบัวเหยวออกความเห็นเป็นความเห็นที่เฉยที่สุด ในความคิดของท่านพระครูจะเร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกโบเฮียวอย่าลืมว่าโยมเขามีญาติพี่น้องจะต้องแจ้งให้ญาติรู้เสีย ก, ก่อนให้เขาจัดการกันตามประเพณีนิยมคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องการเกิดการตายก็มีอยู่ถ้าเช่นนั้นผมจะเข้ากรุงเทพไปบอกญาติิตเลยนะครับนายละ อ, องบอกอย่าเลยโยมกำลังเครียดไม่ควรขับรถขับปลา อาตมาคิดว่าโยมไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวให้สมชายพาไปโทรศัพท์ทางไกลในตัวจังหวัดโยมจะได้เตรียมงานอยู่ทางนี้ห้าโมงเย็นจะมีพิธีรดน้ำศพญาติทางกรุงเทพคงมาทันเดี๋ยวพาลูกไปเข้าที่พักใชก่อนพักที่กุฏิโยมทองรินได้ไหมกลัวกันหรือเปล่าไม่กลัวครับไม่กลัวค่ะสามพ่อลูกตอบพร้อมกันดีแล้ว ถ้าอย่างนั้นสมชายช่วยพาไปส่งด้วยเสร็จแล้วพายมผู้ชายเข้าไปโทรศัพท์ที่ตัวจังหวัดบอกญาติทางกรุงเทพให้เขารู้เขาจะได้พากันมาอาบน้บําศพเมื่อสามพ่อลูกลุกออกไปแล้วนางบุญรับก็ร้องไห้กระเซาะกระเซิงเข้ามาลุงพี่ฉันกลัวผียาทองรินก็ดีแล้วนิดอยากไปเกลียดเขาแบบนี้ต้องบอกให้มาหลอกจะให้เข็ด ท่านพระครูขู่ไม่เกลียดแล้วเจ้าหลวงพี่ฉันไม่เกลียดเขาแล้วเห็นเขาตายแล้วสงสารดางบุญรับรีบบอกเออถ้าเขายังไม่ตายก็ยังไม่หายเกลียดจะไม่หลักท่านพระครูย้อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันสงสารเขาจริงๆขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะแม่คุณอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลย ใครเขาจะมาอยากจองเวรกรรมกับคนอย่างแกเหล่าใยบุญรับเอ้ยอย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยคนอย่างแกน่ะแม้แต่ผีก็ยังเมินท่านพระครูว่าให้เมินก็ดีจะได้ไม่มาหลอกฉันเดี๋ยวตอนอาบน้ำศพฉันจะไปกราบขอขามาเขาดีแล้วแล้วข้าจะช่วยบอกเขาให้ไปไปตามลูกสาวเขามากินข้าวกินปลาเสีย นี่ก็เที่ยงกว่าแล้วบริการเขาดีๆนะแม่เขาจะได้ไม่มาหลอกท่านแกล่งแย่แม้หลวงพี่ชอบพูดให้ฉันหวาดเสียวอยู่เรื่อยนางต่อว่าแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูพูดกับพระโวเฮียวว่าวันนี้เธอก็เลยอดฉันเพนไม่เป็นไรครับผมอิ่มมาจากบ้านในจ่อยแล้วอาหารเขาอร่อยทั้งนั้นผมเลยว่าซิอิ่มแแปล ถึงจะไม่ได้ฉันอีกสามวันก็คงไม่หิวถึงขนาดนั้นเชียวรืรู้สึกว่าเธอจะติดรถอีกแล้วนะทําไมถึงไม่กําหนดรถนอล่ะกําหนดไม่ทันครับมันอร่อยผมก็เลยฉันเพลินจนลืมกําหนดนั่นแสดงว่าเธอยังต้องฝึกอีกมากครับผมก็ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อครับยายบุญรับแกจะหายกรดโยมทองรินจริงอย่างที่แกพูดหรือเปล่าครับ จริงสิโบราณเขาถึงสอนว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจไงละ่ะหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าคนเราถึงจะจงเกลียดจงชังกันปานได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งตายลงความเกลียดก็หายไปจะมีแต่ความเมตตาสงสารเขาอะไรที่เคยทำไว้กับตนก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีงามไปหมดแล้วก็จะนึกถึงเขา แต่ในทางที่ดีที่งามจึงเรียกว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละหมายความว่าคนเราจะดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้ถ้าละชั่วไม่ได้ก็ดีไม่ได้ส่วนพระอยู่ที่ใจอันนี้คงไม่ต้องอธิบายหรอกนะเพราะเธอก็เป็นพระฉันก็เป็นพระไม่ใช่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างที่แม่ครัวบ้านงานว่าครับ แล้วผมก็ขอตั้งปณิธานว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของพระไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมให้ใครมาตราหน้าว่าเป็นพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างเด็ดขาดพระบวญเยาให้คำปฏิญาณต่อหน้าพระอุปชัชฌาย์ เสียงด่าหมาแมวดังลั่นวัดแต่เช้าหลังจากวันที่นางบุญรับเข้ามาช่วยทําครัวบรดาอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนพระสมองค์เนนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่ามะม่วงมีอันต้องกําหนดได้ยินหนอกันวันละหลายๆครั้งเพราะนางบุญรับแกสามารถด่าได้หลายเวลาต่อวันพระโบเฮวกําลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีอันจะ ต, ต้องกําหนดได้ยินหนอ แทนการกำหนดพองยุบกำหนดอยู่นานก็ไม่อาจจะระงับความวุ่นวายรำคาญใจลงได้ไม่ชอบหน้าแม่ครัวผู้นั้นเป็นทุนอยู่แล้วครั้นมาได้ยินเสียงเกลี้ยกลาดแสบแก้วหูเช่นนี้เข้าอีกความไม่ชอบซึ่งเป็นโทสะอ่อนๆนั้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มระดับขึ้นจนกลายเป็นความเกลียดชังและอาฆาตมาตราย พระนุมรู้สึกเกลียดผู้หญิงที่ชื่อบุญรับไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงเกลียดเหลือเกินแล้วในที่สุดท่านก็เลยนั่งกําหนดเกลียดหนอไปจนถึงเวลาหกโมงเช้าออกจากสมาธิแล้วจึงเตรียมตัวออกบิณฑบาตแม้จะเดินห่างวัดออกไปจนเสียงด่าตามมาไม่ถึงหากก็ยังรู้สึกว่ามันก้องอยู่ในโสตประสาทตลอดเวลา จิตของท่านจึงถูกพยาบาทนิวรเข้ากรุ่มรุมโดยที่เจ้าตัวมิทันได้ระแวดระวังคิดเคียดแค้นจริงชังนางบุญรับไปตลอดทางจนลืมกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายยามเยื้องยาง เวลาเจ็ดนาฬิกาเสร็จท่านพระครูกลับจากบินทบาทกําลังเดินเข้าประตูวัดมารถกระบะสีน้ําตาลคันหนึ่งก็วิ่งแซงหน้าท่านมาจอดที่ลานวัดยังไม่ทันดับเครื่องเด็กหนุ่มผิวครั้าหน้าตาคมสันก็ลงจากที่นั่งคนขับปีนขึ้นไปด้านหลังรถแล้วก็เปิดท้ายแล้วผลักด้วยเท้าสุนัขสิบกว่าตัวที่ยืนหน้าสลอนอยู่ท้ายรถก็ลงมาจนหมด ปิดท้ายรถเรียบร้อยจึงกระโดดลงมาก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับแล้วออกรถท่านพระครูรีบโบกมือเรียกช้าก่อนพ่อนุ่มเดี๋ยวหยุดคุยกันก่อนพ่อนุ่มเบรกรถดังพืดโผล่หน้าคมคายออกมาถามว่ามีอะไรเหรอครับเขาไม่ทำความเคารพซึ่งท่านพระครูก็เข้าใจและรู้ธรรมเนียมของมุสลิม ที่จะไม่เคารพผู้ใดหรือสิ่งใดนอกจากพระเจ้าสูงสุดคืออัลเลาะห์เท่านั้นมาจากไหนล่ะเธอน่ะทำไมถึงได้ขนหมามาปล่อยวัดนี้ท่านถามยิ้มยิ้ม